นิสัยวาสนาประสาวกละไม่ได้เด็ดขาดมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นพระโมคคัลลาอารหันต์เดินตามหลังพระพุทธเจ้าไปทุกองก็เดินลุยน้ำไปแต่ร่องน้ำมันพอกระโดดข้ามได้พอถึงท่านโมคคัลลานิกระโดดข้ามปับ๊บพระภิกษุกระโดดนี่มันเป็นอาบัตทุกกฏที่นี้พระพุทธเจ้าหันมาทักโมคคัลลาเนี่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 อะไรมันจะพอผ่อนคลายอารมณ์ความตึงเครียดเขาบ้างก็เอาบ้างเหมือนกันแต่ว่าเจตนาที่จะทำผิดไม่มีเป็นแต่เพียงว่าช่วยเหลือให้เขาสบายใจเท่านั้นด้วยปกติพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยพระภิกษุจับแต่ต้องของที่ไม่มีผู้ประเคนเพียงแต่แตกต้องเท่านั้นเป็นอาบัตทุกกฎถ้าไปฉันของที่เขาไม่ได้ประเคน ต้องอาบัติปาจิตตีพระพุทธเจ้าไปบินธบาตพอไปถึงหน้าบ้านเขาก็เดินทะลุไปถึงหลังบ้านเขาน่นข้าวเขาหุงสุกแล้วไปคดเอาข้าวในหม้อเข้าไปหมดเพราะพระองค์รู้วาระจิตว่านายคนเนี้ยถ้าเราทำอย่างนี้เขาจะดีใจและมาฟังธรรมะเราจะได้สําเร็จพระอารหารัน